بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله على نبيه و ص ف ا ء الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد لا صورة ا ل ت و ب ب من صورة تمينها بوتين กลุ่มมุนาฟิกต่างๆเราก็ได้ศึกษาเรียนรู้ไปแล้วหลายกลุ่มแต่จุดดินของสุราตดาวานีก็อยู่ที่ชื่อของสุรชื่อสุราอะไรตวาตว่าตาว่าของใครตาว่าของบุคคลสำคัญที่เคย โดนข้อคอรหาว่าเป็นมุนาฟิกหรือ ม, มีพฤติกรรมของมุนาฟิกแล้วเขากลับเนื่องกับตัวขอรุกกระทุกต่ออัลลอฮฺ س ب าน ن ه แวะ ت อ ا ล ى อัลาาลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในบริษัทอภัยโทษเนี่าฉะนั้นไฮไลท์ของสุรเนี่ย อยู่ที่เรื่องราวของกลุ่มนี้ซึ่งปกติแล้วนี่เรื่องราวของผู้ที่ได้รับเตาบา้าได้รับการให้อภัยโทษจักอัลลสุบฮานะอฺตะตะอ ย, ยู่ใน ayatun taytai จะต้องใช้เวลาประมาณเดือนสงเดือน และเนื่องจากว่าวันนี้เป็นเป็นวันพิเศษที่มีสมาชิกครายค่ายวิรัฬได้มามาร่วมฟังตักเสีรในค่ำคืนนี้จึงขออนุญาตเอาเรื่องหายไหลของสูรนีมาที่ายวันนี้ซึ่งมันเป็นฮัดดิสบทเดียว แต่มันเกี่ยวข้องกับอายะของวันนี้ที่เราจะอธิบายแต่เนื้อเรื่องหลักๆนี่มันอยู่ตอนท้ายๆสุรตาวะฮะดีนี้เป็นฮะดีที่ผมชอบชอบอ่านแล้วมีเนื้อหาที่ในมุมมองผมนะมันน่าจะซาบซึ้งมากที่สุดในบรรดา หะดีสที่พูดถึงเรื่องการกับเนื้อกับตัวเรื่องเตาบัดตัวเรื่องการขอลุ ก, กโทตอลาสุภาโนหะจั้นนั้นการอ่านฮะดีสแล้วก็การฟังฮะดีสหรือเรื่องราวของไฮไลท์ของสุรนีเนี่ยคือต้องมีสมาธิทั้งทั้งคนที่จะเล่าเรื่องให้พี่น้องฟังนะแล้วก็พี่น้องที่กำลังฟังอยู่ต้องมีสมาธิ ทั้งสองฝ่ายฉะนั้นขอเนียดทบทวนกติกาบางอย่างนะเพื่อมีคนใหม่ที่ยังไม่ทราบมือถือปิดขอความกรุณานะปิดเลยปิดเลยถ้าคนที่ไม่ปิดแล้วก็มีเสียงขึ้นน่นนะมีเรื่องนน่นะมีเรื่องเลยนะสอง ถ้าจะดื่มน้ำดื่มอะไรนี่ค่อยดื่มทีหลังนะอย่าดื่มตอนหน้าผมนะโดยมรารยาทในการเรียนรู้กับครูบาอาจารย์นี่ไม่ควรมีการกระทำของชาวบ้านชาวบ้านนะ่ะมากินมาดื่มต่อนหน้าครูบาอาจารย์ที่เรียนรู้กับเขานี่ไม่ไม่ค่อยสวยงามไม่กินทีหลังนะเรื่องที่สามเรื่องสุดท้ายงดการนวด อันนี้พูดจริงพอมีบางคนเนี่ยชอบเอาเวลานั่งฟังบรันได น, นานเนี่ยก็นวดตัวเองแล้วก็นวดคนอื่นด้วยอืใช่ไหมงดนวดนะค่อยนวดที่หลังนะ่ะไปนวดที่หลังก็ได้เพราะถ้าอะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นช่วงที่บรรยายที่ต้องมีสมาธิสูงเนี่ยมันจะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยขอความร่วมมือจากพี่น้องทุกคนแล้วก็ขอมาอัพตหากว่าร่วงเกินในการ วางระเบียบกติกาช่วงแรกของการบรรยายนะครับอายาหนึ่งเล่าถึงเรื่องกลุ่มหนึ่งที่ไม่ไดีออกไปสู้รบกับท่านนาบีสโลานเลยสำหรัประเด็นของซุรตาว่าทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องสงครามตะบุกวาระหลักๆนี่ก็คือการที่นบีไปจิ h า d ติสงครามตะบุกเป็นิ i h a d ขั้งยิ่งใหญ่สงครามขังข้งใหญ่และนบีก็เชิญชวน มุสลิมทั้งในมดีนาและก็อนอกเมืองมดีนาไปสู้รบ ป, ปกป้องอิสลามปกป้องแผ่นดินอิสลามส่วนมากนี่ไปจำนวนสหายที่ไปนี่สี0 0มื่นกว่าท่านแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ไปน้อยจำนวนน้อยหลักร้อยกว่ากว่าอาจจะไม่ถึงร้อยด้วยซ้ซึ่งในกลุ่มหนึ่งรอยเนี่ย ส่วนมากของหนึ่งร้อยนี่ก็คือกลุ่มที่ไม่ไม่ค่อยจริงใจกับท่านนาบีไม่ค่อยจริงใจกับสังคมและมีกลุ่มนึงที่เขามีอุปสรรคจริงๆและไม่ได้ไปและมีกลุ่มนึงไม่มีอุปสรรคเลยกลุ่มที่ไม่จริงใจกับท่านนาบีและสังคมนี่พอนบีกลับมาจากสงครามตะบูกเนี่ยเขาก็ ไปขอโทษน บ, บีไปสาบานเขายังงูนยงนบีก็รับภายนอกของเขาไม่ได้ตรวจสอบอะไรมากมายความสัต์จริงแต่ภายหลังนี่คุตอานก็ได้ลงมาแฉว่าเขาเขาู้เท็จขอ้ออ้างของเขานี่ฟังฟังไม่ได้แมีกลุ่มหนึ่งที่มีอุปสรรคจริงๆเป็นเป็นคนป่วยหรือเป็นคนที่ มีปัญหามีปัญหาเรื่องเดินทางอ่ น, น, อ น, นี่นี่นียบีใหอภัยแล้วก็อันนี้เขาไม่มีไม่ไ ม, มีโทษอยู่แล้วเพราะในทุกสงครามเนี่ Allah, ยเราก็ให้อภัยพวกนี้อยู่แล้วไม่ถือว่าบกพรองแต่มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาสามารถไปแล้วไม่ไปแล้วเขายอมรับว่าเขาผิดแล้วก็ไม่ได้มาไม่ได้มาอ้างมาโกหกกับท่านน บ, บีเหมือนกลุ่มมุนาฟิกพวกกลุ่มนี้เนี่ยสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่มาสารภาพกับท่านน บ, บีว่าเขาผิดนะ แล้วเขาจะไม่ยอมออกจากมัสยิดเนี่ยจนกว่านบีให้อภัยกับเขาแล้วเขาไปมัดตัวที่เสาต้นหนึ่งที่มัสยิดนบีแกนนากลุ่มนี้ก็คืออบูลุบาบะคือกลุ่มนี้ประชิ r หน้ากับปัญหาแล้วก็สารภาพกับท่านนบีสารภาพกัท่านนบีแล้วก็ใช้วิธีที่เด็ดขาดเลย เหมือนคนที่แบบว่าให้รู้ให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยไปมัดตัวอยู่ที่มัศมุไม่ปล่อยตัวจนกว่านบีจะจะมัดตัวนบีก็เลยบอกว่าให้อัลลอฮ์อนุมัติอัลลอฮ์ก็ไม่กี่วันเนี่ยอัลลอฮ์ก็อนุมัติซึ่งกลุ่มเหล่านี้ที่อัลลอฮ์ก็ข้อลตัวมาลงส่อเรื่นวยขาอละเสกลุ่มที่กทําความผิดบ้างทําดีบ้างและเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้อภัย แล้วก็ประกาศเตาบาหมายถึงว่าการรับเตาบาการรับกลับเนื้อกับตัวของเขาีนประกาศซึ่งกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในขายผู้ที่รับเตาบาซึ่งสุรานี้เรียกว่าเตาบาในเพราะกลุ่มนี้เหมือนกันแต่ไฮไลท์เนี่ยไม่ใช่กลุ่มนี้ไฮไลท์นี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งที่อัลลอฮ์พูดถึงในสุร์อัเตาบาแห่งหนึ่งร้อยหกนี้ว่าอาลกอรูนะ มุรจ OUN لأمر الله إما ي ع ذ ب ه م م ا و عليهم و ا ي م حكيم ั خ ر لش لشون มีชนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่กลุ่มที่ได้ประกาศตัวตัวพวกอบูลูบาบ้าในที่เราเลาเรื่องของอะบูลูบ้าไปแล้วนี่มีอีกกลุ่มหนึ่งมุรจ OUN لأمر ล ل ل ه ที่ยังรอคาบัญชาของ Allah Allah บอกว่า ภาควยกันภากภวยยังไม่ประกาศเตบมตัวที อ, อัลลอฮฺเรียบัญชาบัญชาคนนว่าอัลลอฮฺให้อภัยแล้วคือฟังเรื่องแบบนี้บางทีรู้สึกทั้งรู้สึกดีใจปลื้มใจมุมหนึ่งนะแล้วก็อีกมุมหนึ่งรู้สึกเสียวมากเลยรู้สึกน่ากลัวมากเลยอะคิดดูสิจะอยู่ในยุคนู้นน่ะ ทำบาปใหญ่อะไรแบบเนี้ประเภทเนี้คือไม่รอดจนกว่าจะต้องอนุรอดตัดสินนะตัดสินว่าคนนี้คนนี้คน น, ค น, น, ค น, นี้รายชี่อนี้ลิสนี้อรอให้อภัยละรอไปสแล้วจะไม่ให้ละน่ากลัวมากเลยแต่ที่น่าปลื้มนี้ว่าถ้าได้รับเตาบัดตัวแล้วนี่นะถ้าได้รับอภยัยโทษแล้วอภยัยโทษนี้เนี่ยไม่ชิม มนุษย์มามาแจ้งข่าวใหม่เนี่ยอภัยโทษมาจากอัลลอ์มีวะฮยูมาอย่างกุมนี้อัลลอ์สัญญาเนพระนะรอบัญชาแสดงว่าบัญชาของเราต้องมาเราต้องตต้องตัสสินเขาของอบบูลูบะบาเนี่ยรอไม่กี่วันเนี่ยนบีก็มาถอดเชือกแล้วก็ให้อไม่กี่วันแต่กุมนี้เนี่ยห้าสิบวัน หาสบวันนี่มาตัวนี่ยังยังยังบางเบายังพอเบาเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดหนึ่งตอนอ่านฮะดีษซึ่งอายะนี่ถูกประยังไม่ดียังไม่ได้มีบัญชาของอัลลอฮ์ลงมานบัญชาของอัลลอฮ์ลงมาเนี่ตอนไทยของสุรนี่ภายหลังห้ิวันไปแล้วเนี่ยอัลลอ์ให้อภัยแต่ตอนประทานลงมาอายะเนี่ยเฉพาะอายะนี้นะอัลลอ์บอกว่ารอบัญชาของอัลลอ์มุเจ้านะ่ย ยังรอคาบัญชาของอัลลอฮ์บัญชาของอัลลอฮ์เนี่ยอิหม่ยู่อดีบุห์มพระองค์อาจจะส่งลงโทษพวกเขาว่าอิหม่าตูบอัลีมและพระองค์ก็อาจจะส่งอภัยโทษให้แก่พวกเขาอาจจะอาจจะห้น่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากรอบัญชาของอัลลอ์กลุ่มนี้นรบเหมือนกลุ่มมูนาฟิกีนที่อัลล์บอกว่าให้นบีแฉเลย ที่เราเรื่องวันมีอยู่ขุดบาวันศุกร์ขุดบาวหนึ่งนบีรับบัญชาจากอัลลอฮนี่ว่ากุมุนนบีกินคนนี่คนนี่คนนี่แฉเลยนบีก็คางมัสยิดนบีเลยนี่ลุกขึ้นวันนี้ลุกขึ้นพวกคุณนับเป็นมุนาฟิกออกไปออกจากมัสยิดเลยน่ากลัวมากเลยแต่สําหรับพระผู้เป็นเจ้านี่ คนที่รู้ตัวดีนะหมายถึงมั่นใจในตัวเองอนะต้องรู้ว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อาลีมุนฮะกีมอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณเรามาอ่านเรื่องราวของสามคนนี้ซึ่งคนที่มาเล่าเรื่องนี้ก็คือหนึ่งในสามคนเนี่ยที่ให้รอบัญชาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สามคนเนี่ยพระเอกของเรื่องนี้เนี่ยก็คือข้าพเจนมาลิก الأنصاري عبد الله ابن كعب ا ل م ا ل ك لوك ش ا ي خ ن ب ن ك له. سمع عبد الله ابن كعب ا ل ا ع ب كن له. ب د الله ابن كعب ا لوك شايع خان ا ه م ب د ا ل و ا ي خان ا ه ع ا ل ابن كعب ا و ا ع ا ن ب م د الله ابن كعب ه ذ و ك ش ي ع ن م ع ب د الله ابن كعب m ب ن و ا خ ن ن سمع ع ب ا ه ا كعب ا ب ن و ن ا سمع ا ل كعب ا ب ن ا خ ل م ع ا ل ن ك ع ه ب ن و ك خ له. ع ن ب و ك เล่าเรื่องของเขาตอนที่ได้ล่าช้าในการที่จะออกไปสู้รบกับท่านนบีกล่าวกับเนี่ยใครคนเราเนี่ยลไม่เคยเลยล่าช้าในการไปสู้รบกับท่านนบีในสงครามหนึ่งสงครามได้อิลล์ในหัวใจ ยูกันสงคำทับว่ามคุณตั ب ุตัวในการสน่สงคสงคบัตรข้าพเจ้าก็ไม่ด้ไปวันไม่ไดาวติบไม่ได้ทุเลานบีไม่ตําหนิใครที่ไม่ได้ออกสงครามบัตรเพราะสงครามบัตรนี้ถ้าเราจาได้ตอนที่อธิบายเรื่องนี้ในสุรัสลัมแฟลสงครามบัรนนบีไม่ได้ออกไปสู้รบนบีออกไปดักคารวาน ธุรกิจของชาวกุเรชเพราะชาวกูรชเนี่ยเขายึดทรัพย์สินของมุสลิมตอนที่เขาอพยพนายบีเขบอกว่าเราต้องเอาคืนทรัพย์สินของเราก็ไปดักคาราวานของแกนนาของกูรชจุดมุ่งหมายเนี่ยก็คือคือไปไปยึดทรัพย์ของของกุรเรชแต่ปรากฏว่ากุเรชรู้ก็เลยส่งกองทัพไปสู้รบกับท่านนาบีนบีก็เลยเผชิญหน้าก็ต้องทํำสงครามแั้นคนที่ไปเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจทํา ทาสงครามและคนนี่ไม่ได้ออกกับท่านนบีเขาก็ไม่ได้รว่ไอ้ข่าวนี้นี่มันจะมีการสู้รบฉะนั้นคนนี่ไม่ได้ออกนบีไม่ได้ไม่ได้ตำหนิใครไม่ได้ว่าใครแต่สงครามตะบูกนี่ไม่ใช่สงครามตะบูกนี่มีสู้รบแล้วสู้รบกับโรมันด้วยอินนาม ا خرج رسول الله ص الله عليه وسلم يريد عيرة قريش ت َ ن า ب َ أ َ ب ت َ ب ُ م ْ قريشَ م َ ع َ ا ل ل َ ه ُ ب َْ ن َ ه ُ م ْ و ب ْ ن َ ع َ د و ِّ ه ِ م َْ ل َ ى غ َ ي م َ ا د ٍ จนกระทั่งอัลลอฮ์ได้ให้ชาวกุรชกับกองทัพของท่านนบีได้ประท่ากันโดยที่ไม่ได้มีสัญญานัดไว้วะลักชัยตุมาะรัสูลุลลอฮิซุลลอฮิวะลัยอุะซาลิม่าเลย ل ة ตะลากะบะก่อนมาเล็กมากว่าตำแหน่งการที่ฉันภูมิใจมากก็คือค่ําคืนอัลลากบะอกะบะนี่ก็เป็นตำแหน่งอยู่ในเนินเขาระหว่างมีนากับมักกะเด็กวะอัลกะบะเพราะมัน เดินข่าวตรงเนี้ยมันเป็นจุดจำแนกระหว่างมินากับมักกะนบีบได้มาประชุมกับชาวอังซอสชาวมดินนะก่ อ, อนที่จะอพยพเพราะชาวมดินะ น, น, นี่มาเชิญชวนนบีให้ไปอยู่มดีนหน้าดีกว่าอยู่มักกะทาอะไรถูกต่อต้านแบบนี้ไม่มีใครสนับสนุนมาอยู่ที่มดีนหนาเลยเราพร้อมที่จะสนับสนุนท่านนบีการเชิญชวนและการให้สไตบันกับท่านนบีเนี่ยการมาเลยกว่าเ น, นี่ย เป็นค่ำคืนที่ได้ให้สเตย์บันเชิญชวนนบีไปมาดีนาเนี่ยอัลกับกว่า و ل ล ق ท شهيد ตัวมาระสู ل อั ل ล ا ل ل ซ็อลลัลลอฮ์ุสฉันไปรากฏตัวเลี้ตาละกับค่ำคืนละกบพินตัวทักนะอัลลอิสลามตอนที่เราได้ให้สเตยบันกับต้นนบีในเรื่องอิสลามว่าผมชอบอัน ه ا مشهد بد มันเากเจ้าถือว่าอะไรตัวนักนี้ถือว่าสาหรับข้าพเจ้าภูมิใจมากกว่า สงครามบัรว่อาอินแัดบัรุนอธิษฐานใ ا นัสต ي ไม่รสงครามบัตรจะมีชื่อเสียงมากกว่าก ا ن น ن ขบรีนี่เริ่มเล่าแล้ะตะกี้เนี่ยปู่พื้นฐานว่าเขานี่ไม่ได้มีนิสัยที่จะบิดพิวสงครามกับท่านไม่เคย บ, บิดพิวเลยบัรนี่ไม่ได้ตั้งใจพวาะมีสาวบ้านหลายคนก็ไม่ได้ไปพราะนบีไม่ได้ตั้งใจสงคราม สงคำตะบุก็สงคมเดียวที่ยอมรับว่าเขาไม่ได้ออกไปกับท่านนี่ตั้งใจไม่ได้ออกไปกับท่านนบีโดยไม่มีอุปสรรคใดๆเลยแค่ใ น, นขบรเรื่องราวของขเจ้าอนี่อันนีะะวว้ฉันไม่เคยแข็งแกร่งแข็งแรงมีสถานะความเรื่องทรัพย์สินเรื่องความง่ายได้นี่ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี ห้นา خلف ตัวันหัฟีติลกละซวะไม่เคยที่จะสะดวกมีสถานะทุกอย่างนี่พร้อมทุกอย่างมากกว่าในวันที่ฉันไม่ได้ไปสู้รบกับท่านนับีในสงครามทตปุฟีติลกาละซะนีในสงครามเตปุวะแล้วท่านจะมีอะไรบ้งท่านจมีอะบ้างทนะมีร้างท่นจะมีอะไรบ้างท่าจะมีอะไรบ้าามีอะ่าะะงานม้างนีอะนจะีร่มอ้างนองนมีอ้านะองนมีา่นะงนองนอ่นง มาหนึ่งตัวแต่สงครามตะบุกเนี่ยฉันได้สองตัวก็หมายถึงว่าพร้อมที่สุดแล้วพร้อมกว่าทุกสงครามเลยแต่ก็ไม่ดีไปกับท่านนบีสุลลัลลออฺอะลัยอุสฺสลฺลไม่ดีออกไปกับท่านนบีแลลามียคุร์รูลุลลาอิสุลลัลลออฺอะลัยอุสฺสลฺลไม่ยูรีดูหัซวะดันอิลละวะราบิไรรฮะทุกสงครามท่านนบีจะออกไปนี่ยนบีจะไม่บอกจุดหมายที่ไหนไม่ให้ศัตรูรู้และไม่ให้กองทัพของท่านนบี ทีะเครีดอะไรมา حتى كانت تلك الغزوة غزاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد ส่องคำตะบูกนี่นะมันเป็นช่วงฤดูร้อนร้อนมากฤดูร้อนที่ซาอุดีนี่ใครๆไปนี่ก็รู้บาเรานี่42องศานี่ก็ละมาดละมดขอฝนกันละี่นูองศา หาสิบองศาในเงานะในเงานะบางพื้นที่ที่ประเทศที่ประเทศซาอุดีอาระบียเจ็ดสิบองศาอีกสามสิบนี้คือคือเดือนอีกอีกสามสินี้คือเดือนและนี่คือเหตุผลว่าทําไมคนซาอุดีเนี่ยทําไมคนในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยเขาต้องโพกสรบันและทําไมก็ต้องคุมหัว นี่คือเหตุผลถ้าไม่คุ่หัวนีถ่ถ้าเดินแบบเราเนี่ยเดินเดินหัวเปล่าๆนี่นะเขาบอกว่าน็อกเลยนะซึ่งตอนนั้นน่ะไม่ได้เลยนะบีจะปกปิดไม่ได้นะบีก็เลยเปิดเผยไปนะจะไปทำไปสูร้รบไปสูรปส้รบกับใครโรมันด้วยนะก่อนนู้นโรมันนี่เออโรมันนี่เกิดมันตอนเนี้ไปสูร้รบกับใครอเมริกา ตอนนั้นน่ะมุ ล, ลาอุมรีของตอริบันประกาศสู้กับอเมริกา่า่าสู้กับอเมริกาด้ง ใ, ใครจะสู้กับอเมริกาเนีย่ยประมาณนี้หลมันนี่ไปสงครามที่ไหนเนี่ยเคยทาสงครามกับเปอร์เซียทับสงครามกับนู้ไปกองทัพทีหนึ่งต้องยกทัพเนี่ยไม่น้อยกว่าแสนสองสอาหรับทั้งขับสมุอาหรับทั้งหมดเนี่ยจะหาที่ไหนกองทัพ แสนสองสนีน่นบีที่รวบรวมทั้งหมดนี่นะแต่ข้าศึกอัทดทั้งหมดที่ระเบิสลามอ่ะสี่หมืไปสู้รบกับกองทัพโรมันอ่ะสองแสนสองแสนกว่านาบีก็ต้องบอกจุดหมายไปไหนว่าสักบัลลาสฟรัมบะอิดเดินทางไกลด้วยจากมัดีนาไปตะบูกเนี่ยเกือบพันกิโลว่มาฟาซันพื้นที่ทะเลทรายกว้างขวางวัวดูวัวนกะซี่รอศัตรูจํานวนมาก ف ج ل ั ل ลัล ل ิลมุสลิมเปิดเผยความจริงทุกอย่างให้มุสลิมทุกคนได้รับรู้เลียตอฮะบูบัติข้าวซจะได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมใจด้วยอั م ฮ์มาระหุมบิว ي ีฮิบอกเลยว่าจุดหมายของเรานี่จะไม่ทาอะไรมุสลิมดีอัลม่าก็จะเนบีเนอนะทั้งชาวมดีนแลวก็คนนอกมดีนเยอะ <ان> ว่าจะมีเ م าขึ้นการ์ดที่มีการ์ดที่มีกานวนที่มีกว่าคนนที่นะตกนนั้นนะ่มีกาดี่มีการ์ดที่มีอการดทีนะ่มการี่มีการนดที่มีาร์มขอาท่มีาร์ดี่มีกว่าสงารามเนที่ยาทีานนา่มท่มาร์ดทไปมีรือมากกว่านั้นที่มีดท่ารนน์ดี่ม่ได้ไปท่นะมีกรมีจาดทมารชื่อสงารามบการ์ดที่ามารถถด่มาร ด, ด, ด้จ่มดจีดจํา สามารถจดจำมีหมันบุครียได้รายงานรายชื่อสามร้อยกว่าคนนะซอฮาบะที่เป็นกองทัพของท่านนาบีนะอันนี้แต่ความจำเขามไม่ได้จดสี่0มืนละ่ะไม่มีแไม่มีรายงานว่าสี่0มืนที่ออกไปสงครามตะบูกเนี่ยมีใครบ้างมีแต่สงครามบาตรนไม่มีกาบนิมาเล็กบอกว่าคน อ, ออกไปเยอะเวลาจมกองกิตบุลฮามสไม่มีจดบันทึกกาลกาบนุน กับบอกว่าฟังมารจูลยูรีดวันที่ทั้งทุกคนที่ตั้งใจไม่ไปกับเอนบีนะใจเขานี่นะใจเขาเนี่ยคุยกับใจตัวเองไงนะไม่มีบันทึกชื่อเนี่ยคงไม่มีใครรู้มั้งใครเป็นใครอ่ะสี่หมื่นคนแล้วก็มีสักคนหนึ่งไม่ไปอ่ะใครเป็นใครอ่ะ นอกจากว่าจะมีว่าฮายูเจาะจงไอ้คนที่ไม่ไปคนนี้ไม่ไ ป, ไไปอันนี้ที่เขาคิดกันหมายถึงว่ามโนคติของสถาบันในช่วงนั้นนะ่ะเยอะใครไปหรือใครไม่ไปเนี่ยไม่ได้มีบันทึกแล้วใครจะรู้ล่ะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้คนบางคนเนี่ยคิดจะไม่ไปเนี่ยนะมันมีเหตุผลด้านด้านความรู้สึกเอเอถ้าไม่ไปล่ะก็ไม่มีใครจะรู้หรอก ยิ่งถ้าไม่เป็นคนที่รู้จักมากสาหรับท่านนบีละสาบไม่ค่อยมีใครรู้จักว่าิ ر س و ل u l l a صلى الله عليه وسلم ที่เหล่านั้นท่านนบีออกไปสงครามช่วงที่ผลผลิตชาวมดินาเนี่เป็นชาวสวนผูกอินพะลัมช่วงฤดูร้อนนี่ก็จะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวอินพลัม เขาจะเกี่ยวเอ็มพระลำแล้วก็ตักตักแดดที่เรากินนี่นะพระลำที่เรากินไอ้มาชดูลมาจูนเม็ดดูนอ่ออาจัวอะไรพวกนี้นี่ทั้งหมดนี่นะอันนี้พะลมตักตากแล้วนะไอ้ความสดชื่นของมันนี่มันหายไปละไอเอ็มพะลำสดสดเนี่ยอนี้อย่าทีทีเข้าแช่ตู้เย็นน่ะนั่นอ่ะอันนั้นไอเ็มพระลมที่เพิ่งเก็บเกี่ยวนะต้องแช่ตู้เย็นนะ ใจที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นเนี่ยก็คือที่ตากแดดแล้วทําไมแดดมันร้อนอตอนนั้นซึ่งมันเป็นช่วงขายที่เป็นชาวสวนเนี่ยมันเป็นช่วงหาเงินแท้ๆเล ย, เยหากินช่วงหากินเนี่ยทํามาหากินในช่วงนี้เลยนายโบอกว่าไม่ไปไปสู้รบเป็นบททดสอบนั่นแหะเหมือนคนไปขาย ไปขายน้ำสมุนไพรในตลาดนัดช่วงหน้ารอ้อนนี่ช่วงห้าโองหกมองเย็นนี่คุคนมว่ากนลังขายดีเลยเนี่ยออเดอร์มานี่ขายเป็นร้อยเป็นพันเป็นมนันโลว์บรารลอาซาลมากริบละอะไรประมาณนี้กำลังขายดีอยู่เลยนะไอเป็นละมาดกำ <laughs> ลังขายดีนะ ขอโทษนะครับขอโทษนะครับไม่ขายแล้วครับแป๊บนึ่งขอพักถึงชั่วโมงเพราะไปละหมาดบ้าบ้าหมอนี้บ้าบ้ถ้าในสายตาคนในสังคมนี่เขาใจว่าไงมัจฉนูนมัจฉนูนแปลว่าบ้าแต่จริงมินัมซำอาจจะโดนด่าจากคนใกล้ตัวนี่แหละบ้าบ้าบจะไปละหมาดเื่องอนี่ ช่วงทำหมากินเดี๋ยวเวลามาดมักรีรวมกับอิชาก็ได้รวมมักรีปิชากะซุบบุก็ได้อูอุซอร์นี่มาเพียบเลยมาเพียบเลยก็จะขายเนี่ยทํามหากินนี่ขายขายแล้วช่วงนี้การเก็บเกี่ยวเอ็มเพลลัมแล้วก็ต้องตากแดดแล้วก็ต้องเฝ้าดูด้วยนะเก็บแล้วนี่ใส่กระสอบส่งขายนี่จะไปสงครามปกติแล้วนี่สงครามนี่ อย่างน้อยเดือนสองเดือนกลับมาเนี่ยมีรู้แดดแบบนี้จะมีหรือเปล่าว่าแะหซลุลลอฮัมุสลิมมาห์ฮฺนบีก็เตรียมตัวมุสลิมสวนมาก็ไปก็ทานฟตัฟิกตัอักดูลิใครเตเจฮ์สก็พ้าก็เตรียมตัวพยายามเตรียมตัวฟะอริอฺวะละมักดิเศาะออกไปดั่งใจว่าจะเตรียมตัวนะแล้วก็ยังไม่ได้ทาอะไรวะมักตอ์ฟะอูลูฟีนัฟซีอนกดิรอล ฉันก็ค hmm. ุยก so so ับตัวเองก็ทําได้เดี๋ยวเตรียมตัวแต่ฉันทําได้ฟ้ล่มเยือล้วแต่มาด้วีหัดตัดดบในน้ำิลจุดฉันก็พยายามพระวิงเวลาพระวิงเวลาจนกระทั่งคนก็เอาจริงเอาจังกันแล้วหมายถึงว่าแบกของบนพานะแล้วเนี่ยมัดแล้วมัดบนอูดแล้วนี่ทุกคนนี่ก็เตรียมอาวุธลับดาบรับธนูแล้วจะไปแล้วจะออกไปแล้ว ฟ้า صبح رسول الله صلى الله ل ن بي ن بي ل ع ا أ ل ت أ, ت ا ل ق ق ل ت أ ت م و ن มั่งเขาช่าวชาวทรูอีกวันนบิบิลาสั่งให้พร้อมละไปละเริ่มเดินทางละว่า็ยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยเครื่องไม้เครื่องมือฟักุลตัวแต่จะฮัซุบ่อดาหูวิเยวมินเอวยมันสมะลักห์ฉันก็ตั้งใจว่าเออยางงั้นอีกสักวันสองวัน ฉันก็จะเตรียมพร้อมนะแล้วก็วิ่งตามไปหเาซึ่งมีบางคนก็ทำแบบนี้จริงฟะกะเดาตูบาดอันฟัซลูเลอตาเจฮะซะฟะรจัตูวะเลมัคดีชียะพอท่านนบีสั่งว่าเดินทางไปแล้วระยะหนึ่งฉันก็พยายามที่จะเตรียมตัวก็ไม่ได้ทานี่คือความลังเลงะกาบิลไมค์าลา สารภาพเรื่องนี้ตรงไปตรงมาเลยว่าลังเลในคําบัญชาของท่านนาบีคำบัญชาในยามสงครามด้วยนะความผิดที่เขาทานี่ก็คือความละช้ า, ชาความลังเลที่เกิดขึ้นและที่ทําให้เขาถูกลงโทษอย่างรุนแรงอย่างที่อย่างที่เขาจ ะ, จะอธิบายให้พวกเราฟังุมมมมกัมมกอตวลิชย เช้าอีกวันหนึ่งก็เช้าตรูอีกวันหนึ่งก็จะเตรียมตัวก็ไม่ได้ทาอะไรแปลมีะ즐บีฮัตตะ حتى ร س ر ع و ตฟาร์ตะละกแต่ความลังเลนี่มันก็อยู่กับฉันอย่างงั้นจนกระทั่งเริ่มที่ท่านนบีจะถึงจุดหมายล้วะฮามัมตวนอัรดาฮิลฟาอุดริกะฮุมวาเลตันิฟะลตุถึงขนาดที่ตั้งใจว่าทิ้งทุกอย่างไม่เอาละเอาแค่เอามัตัวหนึ่งแล้วก็วิ่งไปตามท่านนบีอย่างเดียวเลย ขอบอกว่าเล่นน่ فعل ดทํานนทร์ทำนิทานนั่นดีเล่เกินฝลัมยุคดร์ล ذلك แต่อัลลอฮ์ไม่ได้กาหนดให้ฉันได้เป็นเช่นนั้นอันนี้ตรงนิดหนึ่งเอ้าก็เป็นความผิดแท้ของตัวเองกาเป็นแม่ล็กแต่ถ้าไม่อ้างกุดคาของอัลลอฮ์กหนดสภาวของอัลลอฮ์ سبحانه แะ تعالى คนนี้ทำบาปเนี่ย และอ้างกฎสภาวะของอัลลอฮ์นั่นคือคนที่ไม่เอาไหนจะยินเย็นผมไม่ได้บอกการมาไม่เอาไหนคนที่ทำบาปทำไมทำบาปละ่ะทำไมสุ บ, บุรีล็อกกำหนดให้ฉันเป็นคนสุ บ, บุรีช่วยไม่ได้ทำไมเองไม่ละหมาดแล้วก็ทำอย่างไงช่วยไม่ได้ก็อัลลอ์กำหนดให้ฉันไม่ละหมาด เรียนรู้ไปแล้วเรื่องศาสนานี่ยเนี่เรียนรู้ศาสนาแล้วแล้วไม่เอาไปปฏิบัติเป็นเรื่องของตัวหัตัวหันก็านกำหนดแล้วไอ้ฉันเป็นอย่างนี้แล้วก็ฉันทําอะไรไม่ได้ฉันจะเปลี่ยนไหมเนี่ยไม่เอาไหนและเนี่ยเสียมารยาทกับลัทธิพานุวัตเอาแล้วก็กลารไม่กาม่เล็กเนี่ยที่อ้างก็จะรเพราะท่านเตาบัดตัวแล้วแล้วก็เลิกบาปนั้นแล้ว ถ้าคนดีเลิกแล้วนี่นะเลิกแล้วนี่สามารถอ้าติดบุหรี่ติดเหล้าติดยาเสพติดติดผู้หญิงติดนู่นตินะ่ไอ้ที่ตอนนี้ติดสิ่งเหล่านี้เนี่ยไอ้ทำไมทําแบบนี้เนาะอย่ามาว่าฉันเลยนี่กระกกรด อ, ดร น, อนนี่อลลอก์กำหนดแล้วจะมาว่าฉันเด้ไงเป็นเรื่องมาจากตัวหันหนั่งนั้นนะ่ะอันนี้ไม่เอาไหนอันนี้แล้วไม่คนคนแบบนี้ไม่มีโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัวจะเลิกบาป ถ้าเธอเลิกแล้วเต้บัดตัวแล้วทำทำดีทําดีแล้วนี่นะแล้วมีใครมาทำเหนือใจทําได้มาตะกอนนุ่งแกเป็นอย่างนี้คนตะกอนนุนั้นเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์กำหนดการแม่เลยเขาตบัดแล้วไงเขาเขากลับเนื้อกลับตัวแล้วอัลลอฮ์รับตบัดของเขาแล้วไงถึงสามารถอ้างก็โดะก็โดนของอัลลอฮ์ได้จําไว้ให้ดีนะอย่าเอาเรื่องของอัลลอฮ์นี่มาอ้างในเรื่องที่เราได้ได้ขวนขวายไว้เอง อ๋อหรอแล้วก็หนุ่ยฉันเป็นแบบนั้นทําความเลวแบบนี้อ๋ออย่ามาว่าอย่ามาว่าที่พูดอย่นี้เพราะมีคนมีคนพูดแบบนี้จริงพูดพูดออกมาพูดจริงหรือแม้เงินนั่นก็เชื่อในใจเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็คงคงเปลี่ยนไม่ได้แล้วเพราะอเล็กอยากให้ฉันเป็นแบบนั้นมีไหมมีไหมมีไหมคนที่คิดแบบเนี้ยแล้วคนที่คนที่คิดแบบนี้ล่ะเชยตอนหลอกอะ อีกละยอมให้เชตลอนอีกละเชตอนหลอกแต่อันนี้ยอมยอมให้โดนหลอกไงยอมให้เชตตอนหลอกนะแล้วฉันนี่นะก็ออกไปละหมาที่มัสยิดออกไปเดินที่ไหนที่ไหนที่มาดีหน้านี่นะฉันนี่นะฮะเซนนีฉันเดือดเศร้าเหลือเกิน อันนี้าอาระอิลลาม غم ูซั้น عليه النفاق أو ร جل มิมมะ ذرالله من الضعف คนที่อยู่ที่มัดีนาเนี่ยที่เป็นผู้ชายเหมือนไม่ใช่ผู้หญิงนะผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ผู้หญิงก็อยู่ที่มัดินาเนี่เต็มครบจานวนพรอะไรผู้หญิงก็ไม่ต้องออกไปญาตแต่ที่อยู่นี่ที่ผู้ชายนี่ที่อยู่ที่เดินไปนู่นไปนี่นี่นะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มนึงก็คือพิการ คนที่มีอุจรนะคนที่ออกไปญาตไม่ได้พิการตาบอดอะไรแบบนี้หรือบุคคลเมรมุซันเป็นคนที่ตมไปในนิฟากเนี่ยเป็นมูนาฟิกแท้ๆเลยอันนั้นในะที่ทำอาญาเนี่ยเศร้าเหลือเกินฉันน่อยู่ที่นี่มีแต่พวกมูนาฟิกนะโอ้คือคนเราเนี่ยเวลาเวลาทำความชั่ว เะรบาปเนยแล้วก็มีคนดีทำบาปกับเราแบบนี้มันรู้สึกอุ่นใจจริงไหมรู้สึกอุ่นใจเออมีเพื่อนนี่ <c oughs> หมายถึงว่าไปนรกกันไปด้วยกันนะงั้นนะฮะ <c oughs> ใช่นะเรื่องนี้ไม่ใช่เลยนะแล้วมีน่คนมุกมินเนี่ยคนมุขมินความรู้สึกแบบนี้เนี่ยทำไมอ่ะไม่ เพื่อนพวกนี้เนี่ยถ้าจะเข้านารกด้วยกันนะก็ช่วยอะไรไม่ได้นะช่วยอะไรไม่ได้นะถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาจริงแล้วก็เจอเจอคนดีที่ทําความช่วเหมือนเราเนี่ยนะถ้าเราดีใจแสดงว่าเราแสดงว่าเราไม่สุดจริตใจกับมุหมินคนนั้นและไม่สุดจริตใจกับหลักการศาสนา ถ้าเราเจอคนดีที่ people, people, ทําความชื่อแล้วก็เราทําความเชื่อเหมือนเขานี่นะถ้าเราเป็นคนแจ๋วนะเป็นลูกผู้ชายจริงๆกันหลักการนะเราต้องเตือนเขาเฮ้ยเพื่อนมันบาปอะเออมึงก็ทำมาเออกูก็รู้ว่ามันบาปแต่กูไม่อยากให้มึงทําอันนี้อันนี้คือแมนนะคือลูกผู้ชายจริงเออเพื่อนเออดีแกอยู่เนี่ยเอจะได้เป็นเพื่อนกูกูจะได้ไม่เหงา ทำบาปด้วยกันจะได้ไม่เหงาอ่าอันนี้แสดงว่าทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยใช้ไม่ได้อร๊จุลลมิมมะะลลอฮ์มนฟุมดียิการอนแออันนี้อันนี้เขาก็ไม่ไม่ดนทำอยู่แล้ววะเลมยกุ ر س و ل الله عليه و ل م ถ้า ل غ ت นบีมีนึกถึงกาวิมารเล่นี่เล่าเรื่องี้พระเอกของเราเนี่ยไม่นึกถึงเ กาเมเล็กจนกระทั่งนบีได้ถึงตะบูกจุดหมายของท่านสรุปแล้วเนี่ยสงครามนี้เนี่ยนบีไม่ได้ประท่ากับโรมันนะโรมันเนี่พอรู้ว่านบียกทัพสี่หมื่นคนเนี่ยเขาเขากว่ากกลับดีกว่ากัดดไม่คุ้มทําไมเนี่ยไปสู้รบในคาบสมุทรอารับเป็นทะเลทรายมันไม่มีสะเบียงไม่มีอะไรเลยแล้วก็อาราบนี่เขาก็อยู่ในถิ่นของเขานี่ไม่คุ้มกลับกลับกับถ้านบีไปถึงจุดแล้วเนี่ยแล้วก็รอสักพักหนึ่งเพื่อค่มขู่ โรมันแล้วก็พวกเผ่าอาหรับที่ที่ข่ารับใช้โรมันนั่นนะอ่านบีจะได้เคลียรพื้นที่พอถึงตะบูกแล้วเนี่ยก็เราว่าฮู้จะล่ซุนฟิลกล่ามีบิตะบูกะมาฟ้าเลกาบบนบินังยูกับซอฮาบานี่ต้นถึงตะบูกแล้วเฮ้ยกาบอยู่ไหนนบีถามกาบอยู่ไหนเป็นยังไงบ้างบอกก็ล่ารจุลุมินเบนิสเลมะชาวชายคนหนึ่งจากเบนิสเลมะบอกว่าอยารับสูละลาห์ฮาบัสฮุบูรดาห์ و ่า ظر า ظر ห์เขาในอัตถิที่ไม่ไม่มาเนี่ยเพราะแต่งตัวชอบแต่งตัวแล้วก็ต้องดูเสื้อผ้าของตัวเองหล่อสวยงามฝักก้อนละม้วนห ع าสุบุญเจ็บละม้าสุเน็นี่ก็เ صحاب ะที่มีชื่อเสียงคนอุปงกาบเป็นมัลิกรุนเดียวกันม้วหาสบตอนนั้นก็เป็นเยาวชนอยู่กาบก็เช่นเดียวกันกาบยังหนุ่มอยู่ <تصفيق> معاذ قال لي بوقومه ب ي س م ا قلت له ل إ ر ا ئ ي ل كان تيثن سيراي كعب بن مالك والله يا رسول الله ما ع ل م ن ا عليه ا ل ا خيره تنبيه كعب مالك رومي مخام ونوج وخبن خندي فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قنين ما يبون عليه قال كعب بن مالك فلما بلغني أنه ت و ج ه قافلا حضرني همي พอได้ข่าวว่าท่านนบีเริ่มละกับละขากับท่านนบีพอเริ่มรู้ว่านบีกับแล้วโอเศร้าเลยทุกข์มากเลยไ ม, ม่รูจ้จะจะเอาหน้าไห น, านาไปไปพบกับท่านนบีว ต, ตวฉันก็เริ่มคิดเริ่มมโนละจะพูดอะไรจะโกหกยังไงว่ากูลูบีมาจะครูจูมินสักตีกะดันฉันจะออกจากความกรูด ความครีวความทนนบีไงพ้นไง واستعنتو على ذلك بكلذي رأي من أهلي بكسعدوك خيرنرجع قاب ق ล ي ا ه بيناقي بكسعمو له فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادم ่พอข่าวมาว่าน ب, ب ي มาแลถึงม adinah แลอย่าลืมนะการมาเรื่งนี่เป็นสหายะเป็นสายว่ารุนบุกเบิกนะไม่ใช่สหายว่า ธรรมดาธรรมดาไปซาบาที่มารับอิสลามรุ่นหลังเนี่ยรุ่นบุกเบิกรุ่นที่ไปให้สตยยบันกับท่านนบีที่อัคบ้านี่เชิญชวนนบีเรีว่าเป็นเป็นเป็นเจ้าภาพอ่ะคนอันซอร์รุ่นบุกเบิกอ่ะสนิทกับท่านนบีขนาดไหนสนิทสนิทมากดูลรจะรู้สนิทยังไงแล้วกับเพื่อนสนิทสาวกสนิทแบบนี้เนี่ย แล้วก็ไม่ไปช่วยท่านนาบีในยามวิกฤตของสองครามตะบกุก้าเอาหน้าไปไปพบ ก, กับท่านนาบียังไงพอท่านนาบีได้ข่าวว่าท่านนาบีมาถึงมาดีแล้วนะบอกว่ากซาฮ น, นิลบาลิไอเรื่องความสงสยัยเรื่องการวางแผนจะโกหกจะอะไรท่านนาบีนะไอเรื่อนงะ น, นี้เนี่ยจบละเพร า, าะเขาายังไงก็ต้องเจอนบียังไงก็ต้อง เห็นหน้านบีนบีจะโกกนบีเด้งเพราะท่านนบีรู้แล้วว่าท่านนบีจะต้องเจอเนี้ยก็จบละละฉันได้มั่นใจว่าไม่สามารถที่จะพ้นจากวิกฤตนี้ด้วยสิ่งมดเท็ดโกหกไม่ได้ไม่พ้นหรอกฟาจิมาตุสิโตโกหกข้าพเจ้าตั้งใจตั้งใจวางแผนตั้งแต่นั้นนะคือพูดจริงอย่างเดียวไอ้ความจริงนี่มันจะเป็นยังไงอะพูดจริง นี er ่คือบทเรียนสำคัญพอตอนท้ายเรื่องของก้าวจมเนี่ยอัลล์บอกว่าอย่าอวัลลดีนามนุษตะกุลลอฮฮะวกุลมะอัสซอดีกีินสัทธาชนทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอ์และอยู่กับหมู่ผู้พูดความจริงความจริงนี่มันเจ็บแสบความจริงนี่มันอับอายปกติมันจะเป็นเนี่ยความจริงทำบ้า ไม่ทำไม่ได้ทำคนจะเชื่อไม่เชื่อนี่แต่เราโกหกไปแล้ว <laughs> ไม่ได้ทำถามเปล่าทำครับและนี่คือลักษณะของผู้ศรัทธาที่อัลลอฮฺจะให้อภัยโทษก็ในวันเกียร์ม่านนะไอว้วุฒตอแหลนี่วันเกียร์ม่านี่นะก็จะตอแหลตอนนั้นทำเปล่าเปล่าครับอัลลอฮฺไม่ได้มีพยานนะโอ้แต่เป็นพยานนี่ต้องเป็นมือของข้าพเจ้าเองต้องเป็นเท้าเองอัลลอฮฺก็ให้มือพูดเท้าพูด แต่ผู้ศรัทธาที่ Allah จะให้อภัยอยู่แล้วเนี่ยเขายังไม่รู้นะว่าเราจะให้แต่ผู้ศรัทธาก็ท่าแท้ของเขาเนี่ยสัจจริง เ, เองทําบาปทำเขาเปล่าไม่ตอแหลไงถึงเขาทํำบาปในโลกดุนยาแต่เขาไม่ไม่ใช่คนตอแหลเพราะเขามีอิมาอันน บ, บี บ, บอกว่ามูมินเนี่ยไม่ตอแหลมูมินเนี่ยไม่โกหกถ้าสิ่งที่ทําไม่กล้าไว้เนี่ยรอดนะพอเรื่องพูดจริงนีละ กลามานตั้งใจพูดจริงอย่างเดียวตกลงพูดจริงนะมยังไงสถานการณ์มันจะเลวร้ายขนาดไหนนะจะไม่โกหกโดยเด็ดขาดอัลบรสุลลาย์กัดมันว่าการถ้ากบนบีเข้าเมืองดีนะสุนทรขงท่านนบีก่อนที่จะเข้าบ้านจะเข้ามัสยิดก่อนแล้วมาส่งประกาศทุมมจลสินนาสและนั่งคุยกับเวนบีลมืฝาล พระท่านนบีเลมาสวรกลานนังจอาคมุขหลัูคนที่ไม่ได้ไปสู้รบกับท่านนบีเริ่มมาละ قوم نَفَتَفِيقُوا يَعْتَذِرُونَ إلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ مِبُوكُمْ ق َ و ปสบกว่าคนพวกมุนาฟิกที่ไม่ด้ออกสู้รกัทนนีแล้วก็ไม่มีอุสรรคหน้ตาไม่โกหกย่านอย่างงี้จะไมสบมยจนอะไรสารยบัตและ แล้วเดี๋ยวที่มาไปแล้วในสุรเด وبة ฟก็วบิลมิหนุมรัศดลุลล ل อิซลละอาลัยซลละมะลัยนี่ดูผิวเผินภายนอกของเขาเนี่ยก็รับสิ่งที่เขาพูดไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ติเตียนอะไรมากอ่าไมอาุมไม่เศรษรัฐหุมเขาก็มาแตยบันกับท่านนบีวะออนเลิกแล้วนะไม่ทาอีกแล้วเราจะเชื่อฟังท่านนบีนบีก็รับแล้วก็ให้อากัยโมษแลควขอขาใใจเขา فجدو قام ب ا ب م و س ا ب ا جا أنيجدو خ ا و خ ا و فاو خ ا و พบ النبي فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب فأي سلمت النبي النبي يم يم يم, يم م كرو تبسم يم المغضب كرو يم أم كرو ثم قال تعالى مني م ن ن ي ฟะจิตุอัมช حتىجلست بين يدي. คือวะ ا ل กยังนุ่มนะข้ามาถึงนบีก็นั่งต่อนาท่านบี فقال لي ما خ ل ّ ف ن นบีบอกว่าทำไมทาไมไม่ออกมาสุรบ ألم تكون قد دع تظهرك. เจ้าเตรียมผานักของเจ้าแล้วไม่ใช่หรือซื้อมาแล้วไม่หรือปรากฏตบละใช่แล้ว อิ ني والله ท่านนบีเขาบ้าสั่งบานิบนาอัลลอฮ์แล้วเจ้าเลสต์อย่างเดคนชากอีกคนหนึ่งนะพระเจ้ามีความสามารถที่จะพูดพูดพูดนิ่มพูดดีนะแล้วก็สามารถทาให้เขาน่พอใจฉันได้วัล้วก็อูตีตูเจดล แล้วข้าพเจ้ามีความสามารถในการโตเถียงเวลากิ้นนี่วันล้อยแต่ข้าพเจ้าขอสาบาน้วยพระนามของพระองคะแล้วข้าพเจ้าพูดโกหกมดท็จวันนี้โดยที่ท่านพอใจข้าพเจ้าแล้วอีกไม่นานอีกไม่ช้า a l l อาจะทาให ท่านรูท่านอีกทีว่าแล้วฉันดถึงคุณพอดีที่ซื่อสัตย์นั้นแล้ฉันพูดจริงต่อท่านท่านจะไม่พอใจต่อข้าพเจ้าอันนี้เราอุทิศใหอัยพระเจ้าแต่ข้าพเจ้าหวังในความอภัยโทษจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่ได้ทำอะไร่านนบีขอยืนยันว่าข้าพเจ้าไม่มีอุปสรรคใดๆไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะไม่ออกไปสู้รบกับท่าน والله ไมาคุณตุขัดตัวอควาว่าไรซาระมนีให้นัทขหัฟตัวองค์ข้าพเจ้าไม่เคยแข็งแรงไม่เคยมีสถานะดีกว่าตอนที่ข้าพเจ้าไม่ได้ออกไปสู้รบกับท่านประการละ رسول الله صلى الله عليه وسلم ัมฮะดาฟัดซดัคฟัคุม พัดใอัลลอฮฟิกนบีก็บอกกับซาบาคนนี้สําหรับคนนี้คนนี้พูดจริงฝะกบุ้มพัดใจอัลลอฮฟิกจงจงลุกขึ้นไปจนกว่าอัลลอฮฺจะตัดสินต่อเจ้าคือประโยคเนี้มันเป็นประโยคที่ คือเราต้งจินตนาการก้าวหนึ่มากเล ย, เ, ยเพื่อนสองคนอย่างเงี้ยสนิทกันมากสนิทถึงขนาดที่เขาบอกว่ามึงมาบ้านนี่ไม่ต้องไม่ต้องคล้องประตูนี่มึงเข้าเลยเพื่อนสนิทกันขนาดนั้นนะ่ะและเรื่องวันดีคืนนี้มึงไปมึงไปเลยอันนี้คือแรงที่สุดถ้าเป็นเพื่อนกันนะนี่คือแรงที่สุดในชีวิตระหว่างเพื่อนด้วยกันแต่มันมีสัญญาณแหง่งแห่งความหวังที่นายบอกว่าสะดวก คนนี้พูดจริงอันนี้เนี่ยที่บอกว่ามันเป็นสัญญาณที่ก้าไปแม่เล็กเนี่ยสัญญาไว้ก่อนเราฉันพูดจริงอย่างเดียวน่าจะรอดถ้าโกโหกนี่นะี่ยอาจจะรอดปรเดี๋ยววันดาเนี่ยดี๋แต่ไม่รอดทีหลังไม่รอดแต่ฉันจะพูดจริงน่าจะรอดนี่พอเจอท่านนาบีนะถึงแม้ว่าเริ่มนั่นนี่เริ่มเริ่มุมมิกฤตแล้วนะตอนนั้นนะ่ะแต่มันมีเริ่มมีสัญญาณแห่งความหวังนี่คนที่พูดจริง และคนที่การันตีว่าผู้จริงนี่คท่านนีับเราเนยสำหรับกุมตุฉันก็เลยลุกขึ้นออกไปว่าสาร رجال ุมิ بن سلمة ف ا ت ب ع ن ي จะคุณคนเนี่ยผู้เลักผู้ใหญ่คนเนี่ยวิงตามก็ว่าก้าวลูลี والله ما علمنا ك كنت أذنب تذنب قبل قبل هذا เราก็รู้ว่าท่านเนี่ยไม่เคยทาบาปอะไรเลยที่แบบนี้เนี่ยมืก่อนหมายทหึงท่านมีประวัติที่ดีกับท่านเี ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون แล้วท ا านไม่สามารถที่จะอ้างอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนคนที่มาอ้างนบีเป็นสิบสคนเนี่ยมาอ้างนู่นอ้างนี่แล้วนบีก็ให้อภัยเขาท่านก็ทไม่ได้ท่านก็เป็นระวัิก็ดีนี่ قد كانك في كذب غفار رسول الله صلى الله عليه وسلم ละเพียงพอแล้วถ้าท่านนบีขออภัยอภัยโทษให้ท่านนี่นะก็พอแล้ว ถึงแม้ว่าท่านจะเหมือนพวกเขาเนี่ยก็มาอ้างอันว่าแต่ท่านมัีขอดูอาแล้วโอ้แสดงว่าท่านก็รอดแล้วนี่พระวันลอฮีมาซาลูยุอันนบูนีฮ حتى أردت أن أرجع ففأكذب نفسي ف ل ك า يعنى ข د تمني خو خيان كيأو ถึงขนาดที่เขาคิดว่าจะกลับไปไปโกหกอาจารย์นบีอีกทีนะไอ้ท่านนบีผมไม่ใช่ไม่ใช่นะผมมีข้ออ้างอย่างไตั้งใจว่าจะกลับไปแล้ว ثمّ قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ وقد أموّميك خيّد บ م ّ ب ม أنا قالوا نعم رجلان قالا مثلما ق ل ت فقيل لهما مثلما قيل لك ميشايس สองคนพูดเหมือนตัวเองพูดเนี่ยพูดจริงก็คือตอนนั้นน่ะฉันพร้อมทุกอย่างแต่ฉันน่ะลังเลเองฉันน่ะฉันน่ะผิดเอง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 สมัยยุคสงคําบ้านนี่มันเหมือนอะไรรือป่ะเหมือนไอเนี่ยไอไอไอสติกเกอร์สติกเกอร์ตำรวจสติกเกอร์สารอะไรพวกนี้ อ, อ, อะไรที่ไปพว่าห้โซหน่อยนะเวลาเข้าหน่วยราชการจางไหนแล้วก็มีสติกเกอร์นี้นะยามสะดุงะ้งผ่านผ่านผ่านผ่าน ขอน้นใครที่เป็นสมาชิกสงครามนไปสู้รบกับท่านนายสงครามบ้านนี่คือคือเป็นคนคนสุดยอดแล้วการวิบเนตตัวการวิบเไม่ได้ไปสู้รบสงครามบ้านไงจำได้ไหมแต่สองคนนี้นี่ฮีลอร์และก็มูราโรนี่และก็เป็นชาบะนอูโสด้วยอายุมากด้วยอายุมากหกสิบแล้วเขาก็เลยบอกว่าฟีใหมาอุดซัวตุนเออถ้าอ่งนั้นสองคนนี้ถ้าเป็นสองคนนี้นี่นะ อย่างนั้นฉันไม่ไม่กลับไปพูดอะไรกับท่านนะบแล้วฉันจะยืนยันเหมือนสองคนนี้ฟะมาบัยตูฮีนลีพอเขาบอกว่านี่มีสองคนท่านก็เลยกลับบ้านไม่ได้ไม่ได้กลับไปพูดคุยอะไรกับท่านนบิวะน ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاستنبان الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرفه نبي هام كل في مدينه تكلم هام حاولت كونه مدينه تكلم هام حاولت ความเด็ดขาดมันไม่ได้อยู่ที่คำสั่งความเด็ดขาดมันอยู่ที่ว่าเช้ามาดีนะทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครที่ฝ่าฝืนคำสั่งของนัานเลดูดูต่อฟาลาวิสนอลลิกีนไลละเราได้อยู่ในสภาพนี้เนี่ยฮะสิบคืน50สบวันฟาหมะซาฮิบายะฟัสตกนะ ว่าก้าเดในบุญุติ هما ยบกิญสองคนเนี่ยที่ทําเหมือนฉันนี่นะมูราระและกหิลลนี่นะเขาทนไม่ไหวจะออกไปมาดีหน้าไปมัสยิดนบีเนี่ยไม่มีใครมองหน้าไม่มีใครสลามเขาไม่ไหวเขาก็เลยเอลติกาฟที่บ้านหมายถึงว่าขังตัวที่บ้านและร้องไห้อย่างเดียวว่ามาะนะแต่สําหรับข้าพเจ้าคุณตัวฉับบัลกลุมีฉันนั่นนุ่มที่สุดและว่าอเจลดาุม แล้วก็แข็งแกร่งที่สุดฟะคุนตุอัครุจฉันตั้งใจออกฟะอัชฮัดุศสลัดะไปเล่ามาจอมากับมุสลิมินทั้งหลายว่าตูฟูฟิลเอสวักแล้วเดินไปตามตลาดตามพื้นที่ชุมนุมของคนในมดีนะว่าลาอยู่กับลิมมนีอัฮาดุนไม่มีใครเลยที่มาพูดกันัะแม้แต่คําเดียว وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان قبيحة النبي ف تمسد ج فأسلم عليه وهو في مجلس ه ب ع د الصلاة سلامت النبي هاي سلامت النبي لعنتك النبي لما سلاني فأقول في نفسي هل حرك النبي ما يطبر ت ك ع د ابن مالكني ج ب ّ و ه نبي خياب في ب ا ق ماي خياب ماي نبي راب سلام خياب ماي คือเขาสงสัยแต่ขอ้อแท้จริงว่าตัวท่านนาบีเองสั่งทุกคนเนี่ยไม่ให้พูดคุยตัวท่านนาบีเองก็ไม่ได้คุยที่จริงมันเป็นบัญชาจากอัลลอฮ์คำสั่งจากอัลลอ์อยู่แล้วผมเคยบอกกับพี่น้องว่าตุรัดอตเตาะเนี่ยมันเป็นระเบียบของพลเมืองจำได้ไหมาจำได้ไหมระเบียบพลเมืองผู้ศรัทธาในรัฐอิสลามผู้ศรัทธาต้องต้อง ต้องยังไงคือต้องตรงและต้องให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ส่วนรวมถ้ามีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบมีคำสั่งจากผู้นำสูงสุดให้ทำแบบไหนเนี่ยต้องเข้มงวดนี่นี่คือระเบียบของพลเมืองผู้ศรัทธาในในราชอิสลลงนี่ บ, บีสั่งไม่ให้คุยกับเขาไม่มีแม้แต่คนเดียวที่บิดพิ้ว คำสั่งของท่านนบิสซอลลอฮวาลียสัแต่เราจินตนาการสภาพนะทั้งเมืองเลยไม่มีใครคุยเราถ้าเราเจอเรื่องแบบนี้บ้างนะอย่าว่าทั้งเมืองนะเอาแค่เพื่อนสักสองสามคนเพื่อนสนิทสักสองสามคนเนี่ยไม่คุยเนี่ เ, เราก็เครียดแล้วเพื่อนเพื่อนสนิทสองสามคนนี่ไม่คุยเลยเนย่โทรไปหาก็ไม่รับสายอะไรเงี้ยเนี่ย ไลน์ก็ไม่อ่านเอย่าว่าเพื่อนนะใครก็ได้ไลน์ก็ไม่อ่านก็เครียดกันแล้วเดีนี้ฆ่าตัวตายก็มีเออไปดูไปเจอสติกเกอร์สติกเกอร์นะทําไมไม่อ่านไลน์มีความติ้งต้อ ง, ขอ ง, ข, องของคนในยุคเนี้โทรไม่รับสายก็ก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะแต่นี่พอโทรแล้วรับสายทําไมไม่รับสายอันนี้เรื่องแรกนะวาระแรกเลยนะ เรืเร่องแรกก่อนที่จะพูดเรื่องสำคัญเนี่ยมึงทำไมไม่รับสายถ้าไลายไปเนี่ยถ้าตอบแล้วทำไมไม่ตอบลไลน์ใช่ถ้าดูท่านนาบเีเขาสั่งแล้วไม่ต้องคุยไม่โวยวายวนะทำไมไม่คุยกับฉันทำไ ม, ไมความเข้มแข็งความหนักแน่นนะ่ะ จ ل พะรักชั้ฟต์ตัวให้รับสลามีอัลัยอมลาห์ก็คิดคิดนึกเอ็มอันบีรับสละอัลเบาะทมาอุซลีกล้บานมนูนบีลมสแล้วเนี่ยก็จะพยายามขยบตัวนี่ไปละหมาดใกล้ๆนบีนะใกล้ๆนบีนบีเนี่ยสุดที่รักของขาฟซาริกนัรแลพยายาม ยามเชองเชงืหรือแอบดูท่านนบีตอนละหมาดนะในความที่เขครียดไงตอนละหมาดนะแอบดูท่านนบี فإذا أقبلت على صلاة أقبل إليها ข้าพเจ้าก็สังเกตถ้าฉันละหมาดนี่นะแต่เขาแอบดูนบีไงถ้าฉันละหมาดนี่นะนบีก็จะมอง وإذا التفت نحوه أعرض عنه แต่ถ้าฉันมองไปหาท่านนบีท่านนบีก็จะก็จะบิดหน้าไม่มอง م م حتى إذا طال علي ذلك من جفوت الناس مشيت ها مم ل ي ب ه ا ت س و ر ت جدار حائط أبي ق ت ا د لقفي لقنا م أبو ق ت ا د و وأحب الناس فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام ให้สลามเขานี้าบอกว่าบานด้วยพระนามอัลลอฮ์เขายังไม่รับสลามฉันเลยคนที่สนิทที่สุดนะ ن, ن, ن, ن, ن أ ا ش د ك ن ش د ك ب ا ل ل ه ه ل ت ع ل م ن ي أ ح ب ا ل ل ه و ر س و ل ا ออบบกะตะนะฉันขอถามขอถามด้วยพระนามอัลลอฮ์จริงจเนี่ยท่านรู้ไหมท่านทราบข้อมูลไหมว่าฉันเนี่ยรักอัลลอฮ์และรูลมากก็นิ่งไม่ตอบ พอทูลาหนชตุ و. ฉันก็ถามอีกทันอีกครั้งหนึ่งก็นิ่งไม่ตอบถามอีกครั้งหนึ่งฟนชตุหูมีสำนวนอรอานเนี่ยนาเชตุหมายถึงว่าฉันขอด้วยอัลลอ์ด้วยราซูนนี่หมอจดด้วยความที่เราเนี่ยศรัทธาต่ออัลล์และรซเนี่ยตอบฉันหน่อยท่านรู้ไหมว่าฉันเนี่ยรักอัลลอ์และราซตอบยังไง Allah و Rasul أعلم Allah راس Allah ละ Rasul ر, ر ู ر ر ้ดียิงฉันไม่รู้อันนี้อันนี้นนักะรู้ไหมว่าฉันต้องรู้ดิเพราะตะกรอนนู่นเน่ยเป็นสาวกนบีที่มีชื่อเสียงไงแต่ตอนนี้เนี่ยไม่รู้แล้วว่าอักลอร์ดรัสูลไม่มีใครรู้ล้วไม่มีแม้กระทั่งคนสนิทที่สุดที่รักมากที่สุดแค่นั้นล่ะเขาบอกว่าแค่นั้นล่ะฟฟาดตาอีนัยตอนนั้นฉันร้องไห้น้่งตา ทำไมเขาก็ในชาวมาดนนี่ ن ن. ้นนีไม่เคยสนิทมากแต่นี่คนที่สนิทที่สุดพอเขาบอกไม่รู้ท่านรักเราเรารู้ด้วยไหมไม่รูฉันเดินในในตลาดที่มาดนนี่ที่เขาขายของกันเนี่ยมีชาวชามคนหนึ่งเป็น อหรับอหรับชาวชามเนี่ยที่นับถือศาสนาคริสต์เขาจะไดีกอันบอตพวกนี้เชื้อเชื้อสายอาหรับแต่เขานับถือศาสนาคริสต์เนื่องจากว่าอยู่ใกล้พวกโรมันมิมัน قدمة بالطعام ย ب ي ع ه بالمدينة و و า ه า ن ْ مَا ج َาَ ع ْ ن ِ ش า ا م ี่มَนีَ่ ي ْ ت ِ مَدِينَةَ يَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى ك ่ ع ْ ب ِ ابْنِ مَالِكَ ีِ่า ك َ ه นบْ ت ِ ب َ و ْ ك ว ش َ ن ْ คนก็บอกกันูก็มาน้นุ่มถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าาถ้าถ้อถ้าถ้าถ้าถ้าร้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้อง้าถ้ม้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถนาถ้าถ้าถ้าถ้าถาถ้าถ้า้าถ้า้าถ้าถาถ้าถ้า้าาถ้าถ้มาถ้าน้าถ้าถนา้าถ้าถ้าถาถ้า้าถาา้ فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بذار هوان ولا م ض ي ا ع ت ن فالحق ب ا ن و ا س ك ق س ณสคนนี้เขบอกว่าเราได้ข่าวว่าเพื่อนท่านเนี่ย่น محمد เนี่ยโกท่านแล้วแล้วก็ท่านลำบากแล้วมาหาเราดีกว่าท่านม่อยู่ในแผ่นแผ่นดินที่ไม่มีพพวกไม่มีใครจะดูแลท่านมาเลย มาลนี่หมายถึงว่าทิ้งศาสนาอิสลามเลยแล้วก็มาเข้าศาสนาคิสมารับชายกระสาคนนั้นน่ะแล้วท่านจะสบายเลยแล้วท่านที่เล่นนะ เี si ๋บอกว่าเดี Democrat, ๋ยโอ้โหเบเดนเขาส่งจดหมายมานี่ชวนไปอเมริกาไปแมครอนแมครอนเขาส่งจดหมายบอกว่ามาเลยมาเลยมาเลยอยู่ทําไมเป็นมุสลิมแบบลําบากแบบนี้อยู่ทําไมมาเลยมาเลยมาเลยถามว่าโอ้มีทุกอย่างเลยมีเงินเดินให้มีบ้านให้มีทุกอย่างสบายเลยเออดีดี๋ยวโทรไปปรึกษาคนนู้นหน่อยดีเอา เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาคนโู้นคนนี้ไม่เผาเลยเผาทันทีเลยฮัจจั ا ยะมะตัดอัลเบลน่เานไปแล้วนี่สิสคืนในี่คืนนะยะ ا าอุรัส ل ลุล و ل ิศาอุรัสูลุล ل อิล ل อิซลาลลอยซาลินีมีนบีซุ่มตัวแทนของท่านนบีนะอุรั و ูลุละอ ا ل าอุ ا ل สูลุละนนบีซุ่แยกอาอรารยา فقلت أطلقها أم ا ذ ا أفعل؟ كابوا جاهي ا ل ي ر أ جاهي تام أري؟ قال لا بل أعتزلها ولا تقربها. يا م د و يوك، خولك م د و ت و ن خلي. و ر س ل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لمرأة الحق بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. وقَوَى ك ب َ ر ي َ ا ن ِ ي ك ب َ ي و ب َْ م َ ا ع ََ ت ن ْ ق َ ل َ ت ْ م ِ ن ْ ه م كم ت ن ج الله سبحانه وتعالى قال كعب وجاءت مرأت هلال ابن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه قال لا ولكن لا يقربك قالت إنه والله ما ب ه حركة إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان اليوم ى هذا فقال لي بعض ه ل ي لواستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرأتك كما أذن ل م ر أ ت هلال أن تخدمه فقلت والله لا استأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته أنا رجل شاب ฮีแ ล, ลนดูไหมฮะนี่ภรรยาเขาเป็นคนแก่แล้วอายุมากแล้วภรรยาเขานี่ก็ไปหาท่านนี่บอกว่าท่ลานไม่มองก็ไม่ค่อยดีสุขภาพก็ไม่ค่อยดีขอเนีย่ยท่านอยู่กับฮีแลนเนี่ยช่วยช่วยเขาหน่อยทำกับข้าวอะไรเงี้ยเพราะเขาทำอะไรไม่ได้เพราะก็ได้แต่ห้ามแตะต้องเลยนะห้ามแตะต้องเลยภรรยาก็บอกว่าฮีแลนไม่ไม่ไมีอะไรเลยไ ม, ไม่มีความต้องการอะไรเลยเขาร้องไห้ตลอดเวลา นี่อะี่น้องก้าวไปแม่เล็กเนี่ยไปบอกนี่นิงภรรยา伊拉เนี่ยเขไปขอเนี่ยที่ภรรยาอยู่นี่ยแกก็ไปขอที่ไปขอไปขอท่านนบีเนี่ยขอก็ไม่ยิ่งถ้ามีถ้าท่านนบีถ้าท่านนบีเห็นฉันเนี่ยไปขอให้ภรรยาอยู่กับฉันแล้วก็ฉันยังเป็นหนุ่มแบบเนี้ยเออเขาจะคิดยังไงล่ะคิดว่าเราไม่เอาไหนเลยอะฟัลลบิสตูบาดะดะลิกาชร่าเลียลินนี่มาละไอไลมาละนะครับ อยู่เป็นอย่างเงี้ยสิบคืนสิบคืนนี่แม้กับตั้งภรรยานี่ก็ไม่ไม่ดีไม่ดีอยู่บ้านเลยฮ้าต่ก็มาละละนาคำซูลอะไรจนครบสสิบคืนมินฮีนมินฮีนะนะฮ ر س و ل الله عليه و م อันเคยมินะตังแต่นบีฮาไม่ให้ใครพูดคุยกันเราัมาล صلاة อัลเฟจร ص ب ح خمسين ليلة ب ي ل م ع فجرني خمك د س ب وأنا على ظهر ب ي ت من ب ي و ت نا لما انتهى الامر ا ع بيعود وانا على ا ه ر بيتي ن ب ي و ت نا لما ل ن ت ه ى الامر ا ل ل ه ي ع د و ا ق ا على ظهر ي ت ي من بيوتي نا لما ا ن ت ا ل ا ر قاعد بيعود وانا على ظهر بيتي ب نا لما ا ن ت الامر ا ع د ي ع ในสภาพที่แผ่นดินอันกว้างไพศาลเนี่ยมันรู้สึกว่ามันแคบแับมากเนี่ยที่เราบอกนอัตตาอาัอยลอรดุบิมารบบัตวาัอยทุกอย่างนีมันแคบไปหมดเลยใจก็รู้สึกอึดอัดมากแผ่นดินอันกว้างขวางไพศาลนี่ก็รู้สึกว่ามันมันแคบลงพอถึงสภาพนั้แล้วเนี่ย สัมผัส ت สียงการร้องอ้าวฟ้าบนภูเขาสัลลเสียงคนหนึ่งบนภูเขาสัลลังัลลัเป็นภูเขาลูกเล็กๆที่มัดินาแต่ทุกคนที่อยู่ที่มัดินาจะเห็นภูเขาลูกเล็กนี้สัลลังนี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งที่ท่านนบีระบุสัลลังและกาอิดนี่เป็นขอบเขตของมัดีนที่ท่านนบีบอกว่าเป็นอนาเขตฮารอมของมัดีนมาก็เป็นฮารอมเหมือน เมือนมักกะแล้วมีกําหนดอนาคตหนึ่งนนั้นแะหละซัลละแต่คนที่ขึ้นสัลล่านี่ใครได้อยู่ในในมาดีน่าเนี่ยก็ยได้ยินหมดเลยได้ยินเสียงเลยแสดงว่าคนที่ตั้งใจจะพูดอะไรกับก้าวมาเล็กเนี่ยตั้งใจที่จะส่งเสียงให้เร็วที่สุดขึ้นภูเขาสัล่านเลย سمعت صوت صارخ تكون لان له على جبل سام بأعلى صوتي ي د ي ز يا كعب ابن مالك إ ب ش ر و كعب ابن مالك بُعْسَابْ َ و ْ د ِ ي ت َ قال فخررت ساجدة. ي ا ي َ ر َ ن َ ا َ أ و ْ د ِ ي َ ة َ ل َ ي ْ ع َ ن ْ م َ ا يَرُؤَنَهُ ل َ ي ْ ع َ ي ع َ ل َ ي َ ر ُ ؤ َ ن َ ه ي َ ع ْ م َ ي ر ُ ؤ َ ع َ ل َ ا ي ر ن ه ع َ ل َ ا ي َ ر ُ ؤ ن َََ ا ر ُ ؤ َ ن َ ه ُ يَعْمَلُ مَا ي َ ر ُ و آ ذ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا لنا ب ي ر ب ركعه والله ذ رب توبت هاي أحياتون كم ثمان คน نية ا ي نصل صلاة الفجر ل ن ج ك ت ل م ا ت فجر نية كمعنيه مي وحيو ماهن نبي صلى الله عليه وسلم وثمان نية الله توبت ت و ب فذهب الناس يبشرونا و ่าจะไ صاحب ีม بشرونة คมีคนที่จะรีบมาบอกฉันและมีคนไปบอกกับใช่สองคนหนึ่งฮิลนด์แลมูร์รอร์สคนและมีคนก็รีบมาบอกฉันด้วยนะแต่มีคนหนึ่งคนเดียวนะเราก็ไละอเลียรจุลฟร์ซันวะ ساع ساع من س ل م ะเขานี้มาจากตะกูลอ سلم เนี่ยเขารีบเขาไม่ได้มาหาฉันนะนะเพราะรู้ว่าจะกจะมาหาฉันนี่นะ นั่งหรือจะขี่หรือจะขี่พาหนะหรือจะเดินมาเองเนี่ยมันช้าขึ้นภูเขาสั่นหลาเลยขึ้นภูเขาเลยเนี่ยฟาอูฟาอาเลเลเบขึ้นบนภูเขาเนี่ยแล้วก็ตะโกนเลยโอ้กาเบนีมาเลิกพึงทราบข่าวดีว่าการเสวตุอัศร้ามินความเร็วของเสียงนี่เร็วกว่ามาถ้าว่าะกนนั้นมีความรู้ฟิสิกส์ด้วยนะ ความเร็วของเสียงนี้เร็วกว่ามากฝ่ายละมาจาอันอิลลัดิสเมียตุสอตโตและก็มีหลายคนหลังกันนั้นก็เออมาถึงเขาแล้วก็แจ้งข่าวดีว่า น, นี่มีอายาแล้วนะกุร์อาแล้วนะว่าอัลลอฮห้อภัยแล้วนะแต่กาบอิมาเล็กเนี่ยไม่ปลื้มกับคนที่มาที่หลังปลื้มกับเสียงแรกอ่ะแสดงว่าคนคนนั้นนะ่ะฉลาดที่สุดแล้วก็อยากจะให้ข่าวถึงกาบเร็วที่สุดก้าบนี่ก็รอคนคนนั้นนะ่ะ พอคนคนนั้นน่ยพอแจ้งแล้วเป็นคนแรกที่แจ้งถือว่คนแรกพอถึงกล้าเป็นแม่เล็กแล้วเนี่ยกล้าบอกว่าฉันก็เลยถอดไอ้จุบะของฉันเนี่ยเสื้อที่เขาใส่ภายนอกเนี่ยถอดนี้ยเขาเป็นอธิษฐานซึ่งซึ่งเป็นประเพณีของชาวอาหรับเนี่ยอาหรับตระก่งนั้นเขาไม่มีตู้ เสื้อผ้าแล้วก็มีผ้าเป็นเสื้อผ้าเป็นสิบสิบตัวนะไม่ใช่ก็มีตัวสองตัวตุ๊บตัวสองตัวการมาอีกตอนนั้นนะใช่ไก็มีตัวเดียวมีเสื้อตัวนั้นตัวเดียวก็ถอดเสื้อให้เขาเลยฮัดียยฮัเดียซึ่งตะกอนนุ้นเสื้อผ้าของตัวเราเองเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ล้ําค่าที่สุดเลยเพราะอย่างที่บอกตะกอนนุ่นไม่ได้มีเสื้อผ้าเยอะแยะนะมีตัวสองตัวนี่ ท่านนัยบิโซซ่เลัมีตัวเดียวเหมือนกันถอดเสื้อให้นี่ก็แสดงว่าคือนี่คือคนที่ปลื้มที่สุดแล้วฝกเซอตูฮุยอะฮุมาบิบุชราหูให้ยกเสื้อไอ้คนเลยด้วยที่เขาแจ้งข่าวดีเสับขมระขับกรพเจ้าอัลลอฮมาอามลิกุายระมาไม่มีจะไม่มีเผ้านอกจากตัวนี้เยาวมาอดินวัสตา์ตุซนี่ฝลบิูแล้วก็ไปขอยืมเสื้อผ้า สองตัวนี้จะได้สวมไปหาท่านนบีอันตระลักตึงอิหร่านุสัยสุรุลลาห์สัลลัมฟายะเลลกาลีนน้าสุฟูจันฟูจ่าพอเข้ามาซีท่านนบีเนี่ยคนก็ออกมาต้อนรับเป็นกลุ่มๆกันแสดงความยินดียูฮันนูนีบิตเตอบะแสดงความยินดีแสดงความดีใจบิตเตอบะที่อัลลอฮ์ให้อภัยโทษสังคมสังคมน่าอยู่นะ สังคมที่มีคนรู้คนรู้คุณค่าของความดียินดีเพราะเขาเพราะเขาขออภัยโทษแล้ว Allah ให้อภัยโทษเพราะเปลี่ยนแปลงตัวเองและได้เป็นคนดีเขาก็ยินดีให้เรื่อง่องอะไรดูนีายยัง อย่างอัตสาบาคนนึ่ยรวยไปเนี่ยไม่มีเขาจะมานั่งตั้งเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ยินดีขอเสน้งงเรื่องดุญญนยานเรื่องแต่เดี๋ยวนี้นะสร้างบ้านทำบุญซื้อรถทำบุญลูกเรียนจบทำบุญอะไรอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับชื่อเสียงทำให้เราเนี่ยโดดดังในสังคมะนะเออ นันน่ะทำไมดังเลยรับปริญญานะรับปริญญาคืออะไรอ่ะโอ้สุดปลื้มของเรานะรับปริญญาเนี่ต้องมีงบนะงบรับปริญญาถ้าไรละตอนนี้งบเช่าชุดงบซื้อดอกไม้งบเช่ารถให้คนไป ไปร่วมฉลองรับปริญญางบเลี้ยงเลี้ยงต้องมีเลี้ยงด้วยแต่ถ้าหากว่าลูกละหมารักษาละหมาดห้าว a k ตที่มัสยิดละหมาตเกียรมุสลิลต้องจำอัลกุรอานเคยไหมจัดฉลองกันอย่างเงี้ยบ้านเรานี่ไม่ค่อยมีเพราะรู้สึกว่ามันน้อย จัดฉลองเยาวชนหนุ่มสาวท่องจอาอํากุตตานี่เงี้ยจัดฉลองเลยถึงกับบระชากรมุสลิมทั่วประเทศเนี่ยแน่นอนมากกว่าสองล้า น, แ น, น, นแน่นอนนี่ชัวรแน่นอนกี่ล้านประชากรมุสลิมกี่ล้านในบ้านเรากี่ล้านอย่างน้อยที่สุดนะสักหล้านห้าล้า น, นะาานสีล้านนะ นะกาซ่านี่แค่สองล้านนะทุกวันนะ่ะเขามีฉลองทุกวันต้องจํากุฎอา่านแล้วเด็กงนั้นนะ่ะทุกวันนะ่ะฉลองลเรื่องอื่นเขาไม่ฉลองสังคมสังคมที่เขาลืมลืมในเรื่องความดีของศาสนา น, นนะเราต้องการสังคมแบบนี้สังคมที่เห็นคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของดุ n y า คนนี้มีบ้านมีรถคนนี้มีมือถือใหม่เมีอแล้วเราเราถูกล้างสมองให้ความสำคัญให้คุณค่ากับเรื่องแบบนี้ภูมิใจปลื้มใจในเรื่องแบบนี้เรื่องตกต่ำอะไรแบบนี้ลีตาฮันิกาเต้าบตุลลอฮิอาไลกะขอแสดงความยินดี การที่อารอดได้รับการกลับเนื้อกลับตัวการเตาบ้าของท่านขอแสดงความยินดีก็และก้าบุญที่จริงเนี่ยกาบเนี่ยก็ดีใจนะที่เข้ามาแสดงความยินดีแต่เขามีคนเดียวที่ที่เขายังรัควายุ حت ่า دخلت المسند إذا رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم مجلس ال حول الناس ن ا ل ب ي ن يولك ن ن ا م ل م ل م فقام إليه ط ل ح ابن عبيد الله ر و ا مهاجرين ق ن ي ر ها ن ي ل ق ن ل ي ل ق ن ا ي ن ن ن ل ق ن ل م و ا ل ل ه ت ن و ن ا ا ل م ْ ا ا ل م ن ا ل م ْ ر ي ن ไม่มีชาวมุฮัจิรินที่นั่งล้อมท่านนบีไม่มีใครลุกขึ้นนอกจากต ل ลาหวะลาอันซาฮาลีตกลาหเรื่องนี้ฉันยไม่ลืมให้ตลนี่ว่าว่าท่านเนี่ยลุกขึ้นวิ่งมาหามาหาฉันเนี่ยมามาแสดงความเนตตาาะลักะบุญเฟลมาสัลลัมทูอัลลอซุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมอทนเดเขาลวกันให้สลลมท่านนบีวะฮุยับบรุควะจูฮฺมินอสุรุรโดยที่ใบหน้าของท่านนบีเนี่ย สว่างสวายด้วยความดีใจท่านนบีบอกท่านนบีบอกว่าอาับดุลเบขัยริยุมินมัรรอะอเลิกะ منذ ولدتك ม م กท่านพึงทราบข่าวดีที่สุด ตั้งแต่ท่านเกิดมาจากมดลูกของมันดานีม่มายเลไม่ได้เกิดมาเป็นมุสลิมไม่ได้เกิดมาเป็นมุสลิมแล้ววันที่ท่านรับอิสลามนี่ก็ถือวันสําคัญสําคัญมากด้วยสําคัญมากด้วยแต่ท่านนาบีมองข้ามตุดนั้นหมดเลยและถือว่าชีวิตของเขาทั้งชีวิตเนี่ย ไม่มีอะไรดีที่น่าภูมิใจมากกว่าวันนี้ใช่กี่มากน้อยนะคนนี้รับอิสลามก้าวจากอะไก็ถูกใจรึกว่าคนนี้เป็นคนดีไมเคยเป็นมุสลิมนะแล้วก็มารับอิสลามแต่กี่มากน้อยนี่คนแบบนี้แต่มีกี่คนล่ะที่ได้ทำบาปแล้วก็ขอลูกขอโทษต่อพระางค์แล้วพระประทานคุรานลงมาจาะจงเลยนะ สามคนเนี้ยัะไหนอะไปมีกี่คนนะ่ะในโลกนี้มีไม่กี่คนจึงเป็นวันประวัติศาสตร์สําหรับการไม่รอยา่างแ น, น่นอนวันที่ดีที่สุดตั้งแต่เกิดมาในโลกนี้ดีที่สุดสําหรับเขาพ4 0 0ปีใครอ่านกุรานก็ต้องผ่านสุรเตวะใครอ่านสุรเตาวาก็ต้องผ่านอายานี้แล้วก็ท้ายของสุรเตาวา ที่พูดถึงสามคนวาลสซาลาสตินละทีคนสามคนหนึ่งนั้นก็คือกาแบบนบลิมาลิกนี่อันสี่ร้อปีแล้วเนี่ยเราก็ยังพูดถึงกาแบบนบลิมาลิกแต่สิ่งที่มันอัศจรรย์น่ะนะพวกมูนาฟิกแปสิบกว่าคนน่นน่ะที่เขาไปโกหกกระท็นอบีมีใครรู้จักมีใครรู้ชื่อมั้ยไม่มี ไม่มีใครรู้ชื่อและไม่มีใครรู้เป็นไครใครก็ไม่รู้เขาก็ทำบาปนะบาปของเขาเนี่มันก็ปิวไปกับระกาศไปแล้วไม่เหลือแล้วแต่สิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งยิ่งเนี่ยทำไมถึงบาปของข้าไปะนดิมเล็กเนี่ยกลายเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ศรัทธาตลอดตลอดกาลทำไมเพราะคนเขาทำบาปแล้วมีความสัทธิ ทำจุดนี้ไว้ดีการที่เราทำบาปนี่พวกเรานี่ทำบาปนี่เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับมนุษย์ทำบาปนี่อย่าลืมว่าต้องยึดมั่นกับความความซักทิ้งมันคือทางรอดที่สุดทางรอดคือระหว่างเรากับระหว่างเรากับมนุษย์ สิ่งที่จะช่วยเราไม่ก็จะรูดนี่คือความจริงกลละุข่าวดีที่ดีที่สุดตั้งแต่ฉันเกิดจากมดลูกมารดานี่ข่าวดีที่สุดเนี่จากท่านหรือจากองค์นบีหมายถึงว่านบีแจ้งข่าวดีด้วยตัวท่านนบีเองหรือเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ถือว่าเสียมารยาทเลยนะเพราะอะไรเพราะรู้นบีกับอัลลอฮ์นี่ก็คนลเรื่องนบีต้องรับบัญชาจากอัลละฮ์ นบีงรับบัญาจากอัลลอฮต่เรื่องนีมาจากอัลลอฮ์นี่นี่นี่นนบีจึงไม่ตนนมําหนิงั้นไงยังจะมาถามอีกไงนบีไม่ตาหนิเลยยังมีหน้าจะมาไม่ได้ตำหนิเลยถามว่าจากท่านหรือจากอัลลอฮ์กาลาเบลมินไอนดิลละนบีตอบเลยตอบตรงเลยเพราะอะไเพราะคำถามแบบนี้เนี่ยควรถามมีความชอบที่จะถามเบลมินไินดิลละเป็นคำเป็นเป็นข่าวดีจากอัลลอฮ์ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ล ذ ا ฮฺสัลลัมเมื่อถ้าสุร์ร์สตานาร์วิจูห์ถ้าถ้าสุร์ร์สตานาร์วิจูห์ถ้าถ้าสุร์ร์านาร์วิจูห์้าถ้าสุานาร์วิจูาถสุรร์สตาวิาถสุร์นร์วิสานาวิจูหเตนดวงจูห์้ร์ตาจูรรารู้ ว่ท่านนบีดีใจเนี่ยริการมองบหน้าของท่านแล้วมา่อจลสต์ไปเนี ل ยได้ยิ่งคุยกลลวฉันนั่งคุยกับท่านนบีท่านนบีขับัอบัต وإيلا رسول الله ในการที่ฉันทบัตตัวนี้ฉันขอส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของฉันเนี่ยสดก็เพื่ออัลลอฮ์และรัสูลไม่ใช่ขบอกว่าฉันจะถอดถอนทรัพย์สินมินแมลีออก จักทรัพย์สินของฉันทั้งหมดเนี่ยยกให้อัลลอฮ์ราสูล فقال رسول الله, ال الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك أو ي ي ب างส่วนก็ไว้ فهو خير لك ق ل ت ف إ ن ي أمسك سهم الذي بخيبر บอกว่าฉันก็จะเก็บสัดส่วนที่ได้เป็นทรัพย์เฉลยจากค้ายบส่วนอื่นเนี่ยยกให้ท่านนบีุ رسول الله นี่นี่คือไฮไลท์จริงโอ้ท่านนบีครับ อินนัลลอฮะอินนามะนเจนีบิสดุคแท้จริงอัลลอได้ช่วยเหลือฉันอยาวยความสริงในการพูดจริงว่าอินนั้นั้น وبة อัลลอฮฺพัดดิศัลล์ซิดดะข้าพเจ้าข้าสัญญาว่าสัญญาว่าการกลับเนื้กับตัวของข้าพเจ้านี่ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่พูดนอกจากความจริงคือจะไม่โกหกเลยม่เบกกี้ตูตลอดฉันมีชีวิตอยู่ فوالله ما علم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا ไม่มที่ถูกทดสบในเรื่องพูดจริงนอกจากฉันสัญญากับนบีว่าไม่โกหกเลยไม่ตั้งใจโกหกเลย ทดสอบดิเอ้เจ้าพุธนึกสัญญากับท่านนบีไม่โกหกเลยแล้วเขาบอกว่าข้าพเจ้าจําได้เลยว่าตั้งแต่สัญญาท่านนบีไม่เคยพูดโกหกเลยแล้วข้าพเจ้าหวังว่าอัลลอฮ์จะช่วยเหลือให้ชันรักษาสัญญานี้ในส่วนที่เหลือในชีวิตตอนที่เขาเล่านะ وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجر ي ن والأنصار إلى قوله وكونوا مع الصادقين أ ي ة تنتعدي ونتعسوا التوبان يا لذي بردهما فوالله ما أنعم الله علي بنعمة قط بعد أن هداني الإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ك ب جاو م ي مي اريتي الله شوي هيك با جاو تام دي อันดับหนี่ก็คืออิสลามนะอันดับสนี่ก็คือพูดความจริงกับท่านนะพีอัลละกุนะกะดับตู้แฝงลิกะก็มาเลิกกันล้วนี่ฉันก็ไม่รู้ละเนี่ยฉันก็ไม่รู้ละฟะอินละลาอฺก้าลที่นักทวบถ้าฉันก็ฮุคันนั่นเล่านีันกล ที่ท่านได้บอกว่าข้าจะมาสาบานเท็กถ้าทิงว่าเข้าว่าเป็นคนสโครกนี่ที่กลมาโดนตาหนิในกุตานอย่างร้ายแรงถ้าฉันโกหกต่อท่านในบีในวันนั้นน่ะฉันจะถูกตาหนิเหมือนพวกมูนาฟิกนั้นตลอดกางเลยก่านกล่าวว่าข้าว่าเราทั้งสามคนได้ละทิ้งการรับใช้ขะ ق ب ل م ن ه م ر س و ل ا ل ل ه ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ح ي ن ح ل ف و ا ل ه ف ب ع ه ُ م ُ س َ ا ف ر ا ل ل ه ُ و أ ر ج ع ر س و ل ا ل ل ه ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م أ م ر ن ا ح ت ى ق ض ى ا ل ل ه ف ي ه ف ب ِ ذ ل ك ق ا ل ا ل ل ه و عَالَ الْثَلَاثِ الَّذِينَ خُلِفُوا كَمْ ع ن د ِ م َ رَأُونِيَ د ا ي ك ت ُ و َ ب َ ر َّ ق ِ ي ن َ و ي ي ว่าคารุนมุรเจวนั่นลีอัมริล่ะมีชนอีกกลุ่มนึงที่ยังรอคําบัญชาของ Allah และคํามญชาหลลอนในประรัติมันก็คือตกลงให้อภัยโทษและนี่แหละคืออตัตอตบะอัตโตบะคือการกลับเนื้อกลับตัวของพวกเขาและการที่อเลาได้รับเตาบัตรก็รับเตาบัตรตัวเขาคือเราเนี่ยเตาบัตรแ ล, ล้วอัลลอฮ์ก็เตาบัตร เตาบัดของเราเนี่การกลับเนื้อกับตัวฮอลุกฮัลท์สารภาพต่อการเตาบัดของอัลลอฮ์นี่ก็คือการรับเตาบัดอันนี้ในภาษาหรับซุมมาเตะบาะไลฮิมเลียลตูบูอัลลอฮ์เตาบัด ต, ต่อเขาเขาจะได้เตาบัด ต, ต่อหมายถึงว่าอัลลอฮ์ได้บันดาลใจให้เขาเนี่ยสำนึกผิดสํานึกสารภาพผิดเขาจะได้กลับเนื้อกับตัวอุลามาจึงบอกว่าไม่มีใครสามารถกลับเนื้อกับตัวได้นอกจากว่า ตออัลลอฮฺสุบฮานาหัวดาล่ให้แรงบรรดาลใจอ้อาวงั้นเราก็เราก็รอสิรอที่อัลลอฮฺจะให้แรงบันดานใจเราแตไม่ใช่ดีแล้วอัลลอฮฺจะให้แรงบันดานใจกับใครละ่ะกับคนที่มีความศักดิ์จริงกับโผงจะเลือกจริงไหมจะตะวบะจริงไหมถ้าใจเราใจเรานี่อั ong, ลลอฮฺมองทะลุปุโปรงถ้าใจเรานี่ศักดิจริงกับร้อนะ โดูละก็ละก็โยนความตั้งใจการยืนยันการยืนหยัดทั้งหมดนี้นะมันมาจากการที่เราเริ่มมีความจริงพูดจริงกับอัลลอฮฺแล้วอัลลอฮฺก็ Allah, จะช่วยเหลือให้เราได้ตัวบตัวอันนี้คือสุดยอดของของเรื่องราวที่เราจะรับรู้คนที่ทําความผิด เวลาผมนี ني, ่ گ, خ خ ن, اي, ทำทำความผิดอะไรนี่อ่านอัยยนี้แล้วก็อ่านเรื่องของข้าแมาเล็กเนี้ยมันเป็นกําลังใจที่ดีมากสําหรับทุกคนที่ทําผิดโอ้คนระดับข้าแบบเนยแม่ล็กฮิลาร์เอ็ดมุนอย่ามูราอัตุบูร์บีฮ์ผลทำสงครามทำโก็ยังผิดเลยนะเขาก็ยังทําผิดเลยนะเราจะเราจะขนาดไหน แต่เขาเนี่ยได้ทําอุท่าหอนตลอดชีวิตตลอดชีพตลอดประวัติศาสตร์เรื่องราวของก้าวิมาเลิกนิดสามารถไปค้นหาดูได้นะครับในอินเทอร์เน็ตมีการอธิบายฮะดีสวันนี้บันทึกโดยบุครีและมุสลิมไปอ่านให้ละเอียดละเอียดกว่าที่ผมได้อธิบายแล้วเราจะได้บทเรียนอะไรมากมายวันนี้ก็ฝากเพียงแค่นี้นะครับสําหรับพี่น้องที่มาร่วมข้าวิธูพัก์ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับกลับบ้านแล้วนะขอให้เดินทางด้วยสวัสดิภาพได้ให้ค่ายที่มาร่วมกิจกรรมเป็นประโยชน์เป็นทางนำตลอดไปในชีวิตของเราแล้วขอให้ทุกคนที่มาร่วมฟังบรรยายพิเศษวันนี้หรือการอธิบายกุตรานพิเศษวันนี้เนี่ย ได้มีบทเรียนและอุทาหรณ์ในเรื่องราวของกาบีมิมัลิกขอรอดเด้อตอนนี้เนี่ยจะตัดต่อเป็นวิเศษหน่อยนอกจากว่าจะเป็นอาจะเป็นอธิมายคุตลานก็อาจจะตัดเป็นเรื่องของกาวีมิมัลิกย่อลงให้กระชับลงหน่อยขอรอดครับาะลลอ ل ฺุลลอฮุอะลาะบีนะะฮฺุอฺะละอฺุละบีุสละลุสละลุอะลุมะะห์ุ์